นัโมตจ่าอะคาวะโตอระหะโตสมมาสมพุทธะนัโมตจ่าอะคาวะโตอระหะโตสมมาสมพุทธะนัโมตจ่าอะคาวะโตอระหะโตสมมาสมพุทธะพุทธังธรรมังสังฆังมัตสานิจิตโตบลังสัจจังตมุโสตโปติเป็นวัน คำมั่นสนะัาการกระทาบ้านเราเรียกว่าวันพระไม่มีวันีวันวันพระไม่มีวันพระอันนี้เป็นวันที่พวกเราทั้งหลายให้สนใจเป็นวันที่ชาวพุทธสนใจเป็นพิเศษเป็นพระเป็นศีลสนใจเพราะว่า ธรรมะมันเป็นเครื่องตัดความวุ่นวายให้ถึงความสมบเราหน้าพวกชาวพุทธส่งนเป็นฆลาวาสมีกิจการมากมีการทำไร่มีการทำนา้นก้าหาเลี้ยงชีวิตของเรานานๆเป็นบรรสมนะทีหนึ่งเลยมาอบรมกันทีหนึ่งอันนี้เป็นเหตุให้ปลุกใจ พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธให้ระลึกถึงตนของตนให้นึกถึงชีวิตของตน้นชีวิตคือความเป็นอยู่เพวกเราทั้งหลายนั้นเราอยู่เรื่อะไรจะเป็นึกเห็นที่เราบางคนไม่รู้จักชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้ของ <c oughs> เกิดมาทุกวันก็ทํ า, ทาความทุกข์ใจทุกวันทุกวัน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 ย่างนันชีวิตของคนเราทางหลายจริงไม่มีความหมายดังนั้นคนในโลกมันจึงแบ่งเป็นหลายชนิดในทางพุทธศาสนาท่านแบงว่าเป็นอุกติตันยุบุคคลวิปติตันยุบุคคลเนยบ ะ, ะ, ะ, ะบุคคลปะทะปรมะบุคคลเป็นสี่จำพวกคนในโลกนี่เป็นสี่จำพวกเท่านั้น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 พอจะท่านมองดูเท่านั้นแหะเทียบเคียงมืดเดียวเท่านั้ น, นรู้แล้วว่าท่านต้องการให้เราทำอะไรมันไวปกติตันอยู่สอนง่ายไม่ต้องบอกด้วยปากก็ได้พอลูกกตามองเห็นอาการของคนคนนั้นก็รู้จักหูได้ยินก็รู้จักฉลาด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 ทำไมมันง่ายอย่างไม้ในป่าเนี่ยเอามาทําเสามันทําง่ายก็เพราะต้นมันตรงอยู่แล้วไม่ต้องไปถากกระถางมันมากมายมันตรงอยู่แล้วไอท้ทีต้นไม้ก็มันตรงอยู่มันคือของเก่าของต้นไม้มนุษย์เราทาั้งหลายนายช่างไม่ต้องเปรืองแรงไม่ต้องเปรียงความคิดในไม้เึ่นนั่นมากกว่าทำง่ายก็เพราะมันเป็นอยู่แล้วสวยนี่ยง่ายดี มนุษย์เราคือมันการฉันนั้นทีอุกติตนโยนี่สอนง่ายกับพราะมันเปลี่ยนอยู่แล้วเรียนหนังสือก็ง่ายทำอะไรมันก็ง่ายสอนง่ายพาวรรดาก็ง่ายอะไรมันง่ายตรงนั้นแหละมันมีมันสมองในทางโลกถละมันมีมันสมองดีมันสมองก็คือบุญกรรมที่มันดีนั่นแหละมันก็รมให้ดี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 ต้นลมาะกากไม้ทั้งพวงก็เหมือนกันอาศัยอาหารอาศัยที่ดินอาศัยผู้ฉลาดเชี่ยวชาญรักษาฉลาดในการกระทํานั้นต้นไม้ต้นนั่งจะโตแล้วไม่ช้าไม่ผลง่ายสบายต้นไม้ก็เป็นเช่นนั้นปุกติตอนอยู่ของต้นไม้ก็ไม่ต้องทําอะไรมันมากคือมันพร้อมการพร้อมเวลาของมันอื บางสิ่งขึ่นมาไอ้ต้นไม้ในในบ้านนี่มันก่อเนี่สมัยตัวอาประมาณเป็นเด็กมาเเพ้วนี่ไม่ต้องก็ไปปลูกรอกมันดนต้ง้มันเกิดเองเท่นั้นแหนหมากเนี่ยมันเกิดเองมันเทนั้นน่ะอืนี่ดินมันดีอะไรมันดีทึอแม้ว่าไม่มีใครรักษาเนี่ยมันก็พอเก็นหมากเกินผลพอสมควรถ้ามีคนผู้ที่ฉลาด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 ถ้ามีคนเราถ้ามีครูบาอาจารย์แนะนํนาคําสอนเพิ่มเข้าไปชนิดเนี่ยมันก็วิ่งเร็วเท่านั้นเนี่ยถึงไม่มีใครแนะนําคําสอ น, นะมันก็มีความฉลาดในตัวของมันอยู่แล้วแต่มันช้าเป็นแต่หน่อยหนึ่งมันนานมันเสียเวลามันอ้อมอย่างนี้ให้คนอื่นช่วยมันก็เร็วเรียกว่าอุคติตนูอืยุติตนูอม ออกซิเจนยูสอนง่ายยิปปจิตันยูยากไปสหน่อยหนึ่งต้องบอกบอกทีอยากจะได้ยินเนี่ยบอกสองที<ม>ได้ยินเดี๋ยวก็นับไปกับพุทธกติบัตกเกช้าเนี่ง้มก็มาฟังธรรมอยู่เลยบางคนมีนต้องยากหรอกฟังคลิดเยอะยสังขารนี่มันไม่เที่ยงรู้เรื่องเลย อืปเลยจะเห็นความไม่เที่ยงเจสาโลมานักขาทันตะอะริยะเจ้ า, จาของมันไม่เที่ยงก็องมองเห็นตามธรรมชาติมันเลยเงนะัผมมันหงอกไว้สักเส้นหนึ่งอย่างนี้ก็รู้จะโอ้นี่มันไม่เที่ยงนะั้นเนะเจอก่อนนี่ผมมันหงอกว่าที่มันหงอกนันก็เห็นสังขารเป็นธรรมดางืานะนี่จะว่าอืนะ่ว่าเปรียบเทียบได ผมนี่ก็เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ก็เหมือนกับเราเราก็เหมือนกับต้นไม้คนหนุ่มก็เหมือนกับคนแก่คนแก่นี่เคยเป็นหนุ่มมาแล้วคนหนุ่มก็เพื่อทั้งหน้ามันจะแก่ต่อไปอีกงันต้องขยายไปอย่างนั้นสรุปแล้วเห็นผมหงอกเส้นหนึ่งสรุดเลยชังขารนี่มันไม่เที่ยงนะสังขารนี่มันไม่แน่มีอย่างกับยุบติดกันอยู่มีการเปรียบเทียบอืมเอ่ ันยาบุคคลสอนได้หมาถึงจะเสียหายยากหน่อยก็สอนได้เปรียบเทียบแนะนำคําสอนเคียบเปรียบสั้ว์เรือการถ้าใช่แบบเขาเห็นไก่ตัวเดียวเราสอนอถึงแบบตาที่ตามมนเป็นไง เราเปรียบเทียบกาก็เหมือนกัวไก่แต่ว่ามันบินช่องตัวไก่โดย่ากมันบินไปตามอากาศในช่องก็เหมือนตัวไก่นี่เองย่ําไปย่ํามาพูดจะมันเข้าใจว่ากามันเป็นยังไงที่แรกมันดูจะไก่ลักษณะไก่มันก็เหมือนกับกาแต่มันบินในช่องอุปมาอุปไมยไก่กับกาให้กัน ทีนี่กามันยังมาเห็นเลยปุ๊กมาแจกไก่ท่านมันก็รู้เรื่องของกาเป็นอย่างไรรู้จักว่าเออกามันเป็นอย่างนั้นขั้นแรกมันในรู้จักสอนมันไปเปรียบเทียบว่าไก่กับกาขึ้นกว่ามันเท่มกัาเขามาให้เข้าใจในเรื่องกามันเป็นอย่างไรจะมันรู้เรื่องอันนั้นนียกว่าอในยากบุคคลสอนยากแต่ว่าพอสอนง่ายอันนี้คือมันการ เส้นคําซอลมาผมวางคนผมงอกขึ้นมาเส้นย้อยรู้จักแล้วเงินเร็วโอเคจีนยูเนียสโอเคจีนยูเงินหอืงถ้าเป็นพี่ยูจีนยูก็ต้องเทียบเทียงไอ้ผมเส้นนี้ทําไมมันยงังอกไอ้เส้นนี้ทําไมมันยังอกมันตเปรียบเทียบอย่างนั้นอยู่หลายวันหลายเวลาที่จะเข้าใจว่ามันเป็นอะไรจังแต่เข้าใจได้น้องกัน ประท่าปรามานี่ไม่รู้จักเลยเี่ยมันจะผมมันจะหอกหมดทังศีรษาเลยก็ช่ยนี่น้ำํำซ้ำจะถึงเชื่อชึดจะหาซื้อน้ายามาย้อม เ, เม้าไปอีให้มันหลงชุดก็ไปอีกละเนี่ยมันเป็นประาปรามาบุคคลยิ่งปิดยิ่งบอดยิ่งบอดก็ยิ่งมืดยิ่งมืดก็ยิ่งไม่รู้จักเนี่นเองว่าประท่าปรามาบุคคลบอกแล้วกว็เหมือนกัะไม่บอกอืม ที่นี่ทำมันจปนเช่น น, น, นั้นก็พ้นจากคำสอนทังพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนแนบะืนัยยะบุคคลปกติกันอยู่ยุบปติกันอยู่นัยยะบุคคลสามอย่างก็ถ้าปรมาบุคคลนั่นนะสอนก็เหมือนกับไม่สอนรู้ก็เหมือนกับไม่รู้นี่อันนั้นมันสอนยากมันสอนไม่ได้ตองนั้สอนไม่ได้แล้วเป็นคนที่เสียคนเนี้ยที่ ใครมันเป็นเป็นอย่างนั้นคนที่เรียนมันก็เป็นได้คนที่ไม่เรียนมันก็เป็นได้มันเป็นเพราะกรรมเนยเป็นกาเนดของมันบางคนก็เรียนเรียนไปซะจนโง่พูดก็ไม่รู้เรื่องกันบางคนไม่เรียนก็ไม่เรียนซะจนโง่พูดก็ไม่รู้เรื่องกันนี่มันอะไรเงี่ยอถ้ามันสูงมันก็โกนขึ้นไปถ้ามันต่นมันก็ดูลงมาไอ้ทางสายกลางมันไม่เห็นทวีเลย มีปัญหาเนี่ยมันส่งพ้นขึ้นไปใช่ไหมเหมือนนัใสมะม่วงเน่ะเอาไหมมาใสมะม่วงเนอ่ยถ้าไม่ใสมะม่วงมันยาวกไปน้นเอานมะม่วงไปสามเมตรสี่เมตรเนี่ยมันจะใสมะม่วงได้อือให้ข้อมืออีกมันสั้นย่างอีกสามเมตรสี่เมตรที่จะถึงมะม่วงมันจะใสมะม่วงได้ไหมนี่นี่มันต่าเกินไปสูงเกินไปมันก็ใช่ไม่ได้ มันหมดควหมายแล้วถึงแม้เราจะเาสาต้นยี่สี่เมตรต้นนี้สิบสามเมตรก็ใช่ไม่ได้เ้าเมตรก็ใช่ไม่ได้เพราะมันไม่พอดีมันแค่ไหนสามเมตรมาหรือห้าเมตรมาที่เราต้องการนีน่มันเป็นไม้ที่ใช้ได้ทุกวันนี้ทำเรียนมากๆจะเข้าใจว่าเราฉลาดเด้อดูดิมันฉลาดเกินไปนี่มันใช่ไม่ได้แต่และทำเรียนฉลาดนาที่ฏี่มันน่าเกิดขึ้นมาเห็นมนุษย์ทั้งหลายนี่เป็นสัตว์ทั้งนั้นเหมือนเราสักคนเรามีอํานาจกว่าดีกว่า กล้ากว่าดูถูกคนโจรไปในตัวของมันแล้วเห็นมาเลิดก็เขาก็เสริ็จก็เขาแล้วมันจะไม่เดือดร้อนหรือมันก็เดือดร้อนอย่างนั้นแหละถ้าเห็นมาอือตาสีตาสาสมุนกันกับเราเห็นคนแก่อไปแล้วก็จะแก่อยางนั้นเห็นเด็กมันวุ่นวายแต่ก่อนเราก็เป็นเด็กจยางนั้นเหมือนกันถ้าเราน้อง่ก็มาก็คนนั่นก็มเหมือนมันก็เหมือนกันอย่างนี้มันเป็เข้าใจง่ายนี่ถ้าเราโง่ไม่รู้จักก็ไปเรียนไป ไอ้นิ่นคนฉลาดแล้วก็ไม่ต้องท่องไทยเนี่ยท่านครูวอาจารย์สอสอนอันนี้จังทุกครั้งเนี่ยเรารู้เรารู้แต่เราไม่ทำเท่นั้นอ่ะเรารู้รู้จนตายจนลูกเท่านั้นเหล่ยเห็นไหมอันนี้เดยกว่ามันเกินพอดีถ้าเป็นคนแตเป็นหน้ามันเดือขันเนี่ยถ้าน้าเดือขันต้องมือบ่าไปเท่านั้นเนี่ยสกปรกหมดเตื่องหมดทีเนี่ยถ้าหน้าไม่เต็มขันมันท่องเนยมันก็ไม่ดีเหล่ยมันไม่หน้ามากกันเี่ยเนี่ย ถ้ามันพอดีพอดีกับน้ําสันกับน้ำมันพอดีกันมันก็สวยนี่น้งก็พอดีกับขันขันก็พอดีกับน้ํามันก็ดูสวยมันก็ได้ประโยชน์นี่มันเป็นเฉ่นนั้นถ้าจะนกขันเท่านี้ยอยากได้น้ําจ้าโองคหนึ่งมันก็ไม่ได้แ่่ทไปแต่มันมีอะไรถังไว้มันก็ไหลตรงนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นกันขันน้ำนึกว่าเรียนรู้แล้วมันมันจะดีเท่านั้นมันขาดความฉลาดมันก็ไม่ดีเท่งนั้นเนี่ยมันใช่ไม่ได้เท่านั้นเนี่ยให้เข้าใจใส่อย่างนี้ ธรรมะมันไม่สูงเกินไปคือมันไม่ต่ำเกินเกินไปถ้าคนสูงกว่าคนก็คนเหลือคนกันเลยถ้าคนต่ากว่าคนจริงๆเนี่ยคนคนไม่พอคนถ้าคิดในพอคนก็จิตอาภัพเดินไปตามทางถนนก็อายมนุษย์ครับตัวเขาเจ้าบ่าเราอย่างนั้นตัวเขาเจ้าบ่าเราเป็นอย่างนี้เลยอายคิดอาภัพเดียวกับยิ่งก็ตายก็ได้จะไปกินยาฆ่ามะเร็งตายก็ได้ถ้าสูงกว่าคนก็ดูถูกคนทด่ทุกแห่ง เหมือนเขาเป็นสัตว์เรากป็นมหาอํานาจทช่นนั้นอันนี้ก็ไม่นานเหมือนกันถูกยาถูกยาสก้ า, า, าแรงเหมือนกันถูกกลู่กระสุนเช่นเดียวกันที่กระเทาะมันไม่พอดีนะอืคุณกระฉันนี่แต่เป็นคนพอดีกันที่ก็เกิดเป็นเหมืต้นเหมือนกันมีความแก่ในตรงกลางผลโดยทั่วมีสํมบัติไปเท่านั้นอืจะดีก็กันอะไรไปไหมพี่ไอ้ความดีทันทีความดีมันอยู่อย่างนี้ ถ้ามนุษย์ราทั้งหาที่แบาเป็นปะทะปรามาเรียนไปสอนไม่ดูเรื่องสอนไม่ดูเรื่องบางคนมีกระู้มาเป็นวิทยากรนี่เพามาบวชเขาอุปชาบวชมันเยอะเทศเทศอุปชาฟังซะแล้วอืมเนี่ยนั่นเป็นเสอย่างนั้นอันนี้เดีกว่ามันไม่ฉลาดอืมมันรดีจักดีดีดีดีดีจนเกินดีเลยมันก็มีดีเท่นั้นแหละนั่นเลยพอดีกันคนเราจะได้ไม่ขาดกันอย่างนี้ ยังสมัยบ้านเราตั้งแต่ก่อนเป็นตาสีตาศาลนั่นมาเนาะพูดถึงบ้านปอเนี่ยพูดถึงวันเนี่ยแต่ตสมัยเป็นเด็กเวลาเขาสืบสํารวจนักเรียนเข้าโรงเรียนในสมัยก่อนพ่อแม่ทั้งเด็กแหมดีใจได้เกินนะให้เราดูกเราเปค น, นตชคดุลดีมากไม่ต้องเรียนหนังสีจะมีจะมีคนเลี้ยงควายให้เราจะมีคนเอาน่องให้เราจะมีคนลดสวนให้เรานี่ถ้าเป็ถูก ถ้าไปถูกเขาไปแล้วถ้าตัวไปขึ้นโรงเรียนเนี่ยเสียไปแล้วไม่มีใครเลี้ยงกวาย ไ, ไม่มีใครเอาน้องให้ไม่มีใครรดูแลการมี่ถ้าลูกลูกสาวลูกชายตกโดนโอ้ยดีใจเรงเกินไม่มีใจไดีเกินสมัยนี้มันเงอกไหมลือคนอ่านหนังสือไม่ได้เหมือนคนตาบอดเฉนนั้นเนี่ยจะไปที่ไหนต่ออยากจะไปอุบล น, นี่มันก็อยากจะไปที่เจารณญมันก็อยาก จะไปห้องน้ําห้องชาเขายากคืนั้นแหละไม่รู้จักคือจะไปอยู่ว่าเรามันได้เสียงยิ่งขวานใครยังชัว่วอีกเข้าไปในตลาดหน้าพี่สามีได้ไหมสิอย่างนี้มันเป็นการเหตุการณ์อืฉะนั้นธรรมะนี่เหมือนกันเราอยู่กันไปเช่นนี้ในทางธรรมะใจมันก็ไม่สูงขึ้นพอว่าเราเป็นอะไรอยู่ยังไงไหมบางคนเราก็เกิดมาเหมือนจะก็ใสตัวหนึ่งขนาด น, นี้เกิดมาแต่ก็มีลูก มเรื uh u, quickly, quickly. Then, tomorrow, ่องแบกียจมการเียงการลามันตอนเย็นมาแต่นอนตอนเช้ามยื่นยื่โจรนี่แทนแบินกอะรุ๊กุิกินไปตอนเย็นก็เข้าไปไปนอนเท่านี้จะมีประโยชน์อะไรอืมมันมีมีเยอะๆหรอเหมือนกันตั้งใจเหมือนกันกระสับไม่มีปัญญาอเขามาจับทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจับแล้วเ้ายกเงนดูเ้ายกเงนดู เอาอาหารกินดีด้วนื่ว่าเจ้าของเขารักเราเขาจะของหน่อยไอ้มันหนักหนักกันในปเทศไทยนี่มันไปสองสามกิโลเลยด้วยยังไอ้เจ้าใยจะไม่รู้เรื่องอย่างนั้นถ้าเอาข้าวจิงอย่างนี้ดีใจเจ้าของมันลักเรากินก็ไปให้มันอ้วนหรือมันสบายพอถึงสองสามกิโลก็เอาละก็ไปตลาดแล้วแน่คนเราอยู่ทุกวันนี้ถึงวันกันอันตรายเห็นนั้นไหมไปเห็นมันหลงด้วมวรู้จักเหมือนคนก้าวก่ ใครก็ไปตลาดเดินขึ้นรถก็ยังขันโอ้โอ๊ไปดนนิมันสะดุกสนานหมือนนั่งรถมัอนไปถึงบ้านเ็ฟแล้วเนะ่ยคราบของเชฟแล้วใครสกลงกกันแล้วไ็นึกว่ามันยังที่อยู่นะโค้ดีคิดมันจับไปถอนขนที่พอเนาะไปนึออกว่า เ, เชฟมันทําความสะอาดให้เราดีแหละมันนู่ถึงขนาดนั้นเ <c oughs> นี่ยถึงเงย็ดถ้าเข้าไปถึามจะเออมันตายนี่นะชีวิตนี่ไม่เห็นชีวิตจาของไม่ได้จับแก้ไข เราทุกคนรวมือกันเัน่นนั้นไม่รู้จะพอกันไม่รู้จะพอกันดิ่มรวยทุกสิ่งทุกอย่างดิ่มรนในการทำมาฮะคุณในทางที่ชอบมันก็ยินดีนะดิ่นรนไปอิจฉาคนอื่นเขาไปช่วยบาตรคนอื่นเา้าอะไรั่นก็ไม่คดีนะถ้าทำให้ดีมาแล้วบางทีติดเรื่องจิดวรามาเดี๋ยวมาหาจลพ่กอก็ไเลยช่วยช่วยเมตตาคุณไปทําอะไรอืคุณไปทําอะไรก็ณจะทลยะไร ผมไปขายเหล้าเถือนเนื้อมันดีแล้วนั่นน่ะถ้าทำผิดต้องห้ามไวให้ผิดไงทำผิดต้องทผิดแล้วก็ จ, จับเลยมันถูกแล้วน่ะใจร้องขอแก้อะไรเมตตาอะไรอย่างนั้นไม่มีเรื่องจะเมตตาสถ้ามันทําผูกจะเข้าเข้าใจผิดมันก็ช่วยกันได้ดนะี่ไปทําผิดจริงๆอย่างนั้นก็ริงอย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่มีดีไ ม, ม่ช่วยอย่างนี้มันถืนธรรมชาติมันตามธรรมดาคนขาดการตังธรรมนันก็อย่างนั้นแต่มันโง่รีไปละอื่ ไปอิจฉาคนอื่นนูนก็หาว่าเขามอิจฉาเราอยู่ด้วยมันก็ไม่เคยจะดีนี่ฉะนั้นเนียกับพร ะ, ะประมบุคคลพระพุทธเจ้องค์ทำเห้สอนเอาคนจำพวกนั้นเอาจำพวกศีลรับฟังเหตุผลว่าจะนถ้าขั้นเทศน์มันปลูกไหมอะไรนะแต่ถ้าป ร, ะะปรมาบุคคลไม่ใช่ว่าคนไม่มีความรู้ คนมีความรู้อยู่แต่ไม่ทําตามใครก็ะีกระสร า, ามันไม่เรียนหนังสือแบบมันโง่แต่ว่ามันฟังถ้าครูอาจารย์สอนมธรรมะนั้นนะปฏิบัติอย่างนั้นเขาก็ทำอย่างนั้นเขาจะทำอย่างนั้นคือคนไม่รู้จักสอนได้คนรู้แล้วไม่ทํำตามเป็นประท่าปรมาบุคคลแล้วเป็นคนใช่ไม่ได้อย่างนี้มันไม่ใช่จะดีแล้ว อันนี้คือมันเป็นนั้นเมื่อเราขาดจากสังคมฟังธรรมะจนกว่านะไม่รู้จักธรรมะบางคนก็เข้าใจว่าธรรมะเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรเราจะไปเป็นธรรมะไปฟังธรรมะเหมือนทีจะหากินอย่างไรหากินไม่ได้หรอกแสดงว่าคนนั่นโกหกแล้วไม่ตรงใจตรงมาเนี่ยทามีธรรมะหากินไม่ได้นี่ หาตินอกแนวเป็นมิตรสาธิติิแล้วอันนั้นกต่นี้เาเราคิดถูกอืมสมัยนี้ถ้าคนนั่นคนมีหัวอาจารย์หน้าคนมีหัวเน่าไม่เป็นหัวดีแล้วไว้ทิพย์อย่างนั้นอันนี้เราควรคิดดีๆราะเพศ่อธรรมะให้ฟังเรื่องที่ถูกต้องจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจจะทําเป็นธรรมะไม่ได้แล้วเราเป็นคนอยู่ในโลกเราจะไปปฏิบัติธรรมอย่างนั้นไม่ได้ คนน้ว่าพระมันเกิดมาจากไหนกันมันจะเอาคนนี้ไปบวชเราไม่คิดดูหรือวูาพระเกิดมาเป็นพระผอมผะเหลื อ, นองนี้ไหมอือดูดิจะไปทําอย่างไรจะไปทํำตามธรรมะไม่ได้เราเนยอยู่ในโลกอืออย่างนี้อันนี้จะใครก็พูดใครก็พูดใครก็พูดเราเป็นธรรมะหากินไม่ได้จริงๆเะยทำไยก็คนมันไม่เข้าใจนะจงไป ท, ที่้อ้อ กนไปโกโหกก่อนจะไปแย่งอะไรที่จะได้กินที่บ่งคนมาปฏิบัติธรรมะก็ไม่ได้กินจริงๆว่าทาทุกจะดีเท่าไหร่ทำนนเนี่ยคนทั้งหลายต้อความอ้าวถูกความตะโกว่ามาแล้วว่าถ้าปฏิบัติธรรมไม่ได้กินอะไรก็เลยว่าการฟังธรรมะนี่เป็นโทษไม่เกิดประโยชน์แล้วใครไปฟังธรรมะก็เป็นคนบ้าๆบอๆเท่านั้นแหละทาําไมอิจฉาก็ไมีน่ะโกงก็ไมีแก็น จะเป็นคนเสี้ยคนทแทนแหละไอ้คนนั่นก็ว่าไอ้คนนี้ก็ว่าก็เลยนึกขึ้นมานั่งแบบวราคนคนเหมือนกันคนเหมือนกันนี่เหมือนกันดีกว่าก็พอได้กินไปนี่บ้านเมืองกระเดียดร้อนสถ า, านการณ์บ้านเมืองกระเดียดร้อนใครเข้าใจอย่างนี้เนะเพราะว่าคนเป็นทําหากินไม่ได้แล้วแม้แต่เป็นคนชื่อสัตว์ผุดกระด็ดเนี่ยหากินได้ไอ้คนทางบ้านทางเมืองนี่จะคนโงกงทางเมืนนองถ้าไม่โกงก็เข่จะหากินไม่ได้ ฉะนั้นมันก็มีแต่กระดูกแต่นนเนื้อมันไม่มีนี้แต่นั่นแหละมีมีแต่คนอาทําเกิดมาในโลกเนะี่ยมีแต่คนมาสร้างความวุ่นวายทุกคนทุกคนทุกคนโลกนี้มันจะอยากกินอะไรยังไงถ้ามีทํามะหากินยากหรือหาไมไ่กินเลยอีใครจะอยากไปหากินอะไรกินแล้วก็หนีจากธรรมะกันไปมันก็โอนเข้ามาในโลกนะี่สั่งที่เอ้าสั่งพน่นเอ้าสั่งโตหกโกหกหลงเบาชิงจะกินกันคนมันก็โอนมาทางนี้หมดเท่านั้นแหละอื เรียบร้อนกันเท่านั้นเองเนี่ ย, ยมันจะเย็นเมื่อไหร่มันม่เย็นกันนั่นมันเรื่องของนี้อีกนั้นมันอ่ะ ป, ประทะปรมาบุคคลไม่ใช่คนไม่ใช่คนหนคนที่ฉลาดอืฉลาดจะในทางที่ชั่วฉลาดจะในทางที่ผิดก็เหมือเหมือ น, นยาพิษมันดียาพิษ ด, ดีนะดีดีขนาดไหนดีดีัว่ขนาดยาพิษทุก ข, ขนาดยาพิษผมดี ถ้ายาพิษคนดูคนกินในผมดูทีอ้าไม่กินลอ้ดีทำไมล่ะดีังไ่ะดีก็ต้องกินเนี่ยมดูที่ยาพิษเนี่ยากินมันตายนั่นมันดีทั้งนั้นอ่ะดีดีในทางสิ่งศิใช่มตื่นันมีก็ดีในยิงดีดี่แม่ดียิงรูผู้งตายไมดทั้นั้น่ะดีดียิงตัวทังตัวทังตัวนี่ให้ดูดูท่อ้าวยิงไม่ได้แล้วทาไมไม่ดีทลาทาไม ทำไมพูดยาตืนดีนะทำไมพูดยาพิษดีนะมันหลงอยู่ยางนี้แหละมนุษย์เราทั้งหลายเนี่ยเรามันคิดให้ดีมันบาปทุกวันอคนที่โกหกพกวมที่ทํากันอยู่นี่นะมันบาปมันจึงเดียดร้ออย่างนี้แต่คนมันบุญกันทุกคนมันเงียตาให้อาภัยกันทุกคนมันจะเป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นเนี่ยจางคนจางเข้าฝ่ายบาปกันทุกวันนี้เพราะว่าธรรมะนี่แย่แต่แล้วหากิ้มไหนกินมเนี่ยนะอื ถ้าฆ่าสายกินไม่ได้กินส่งโกกินส่งขโมยกินส่งแยงกินส่งโจรกินใแล้วก็เลยไปเลยยกไปฝ่ายเนาะแล้วก็ป่นแล้วก็ไปกับโนรเนาะหาเป็นคนที่สัตวมันลำบากแต่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นคนที่ไม่เชื่อกันกันมองเห็นตากันเิ๊ะๆไม่ไหวใยกันทช่ไหมถงวันนี้นะที่ทำไมเพิ่งจะยังนั้นเพราะไปทำนอาไปไม่ได้มันไม่ไหวต้องไปในทางโลกเขาบ้านเรานี่จังดีนั้น จะมาไปเดินไปหลายจังหวัดบ้านมุนมอุบลนน่์อย่างดีนะนี่นะอจังหวัดอื่นจังหวัดไหนก็สั่งนัมนเถอะไปมองดูตาไม่ได้เลยนี่ไปมองหน้าเพกน่นมองทําไมต้องการอะไรไหมยิงตายเลยนี่ทําไมมันุษย์เรามองหน้าจะไม่ได้คิดยังไงกันนี่ี่แสดงว่ามันเต็มทีซะแล้วมนุษย์เนี่ยจะเราจะอาศัยใครกันแล้วจะไปอาศัยใครกันเนี่ยทำอาศัยมนุษย์ี่ ขนาดคือมองหน้ากันไปเนี่ยใช่ไหทางการอะไรไม่เรายิงโป้งตายไปแล้วเข้าเนี่ยชีวิตตัวนี้จะนี่แหละมันออกจากธรรมะไปมันเข้าใจผิดมันเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดว่าเข้าไปในธรรมะมันมันเหยียดล้องหากินยาหาสินยาหาสินไม่ได้ทุกวันนี่โด้ที่เราหาจินไม่ได้ทื่นเลยอย่างนั้นเราจะต้องเลกจากธรรมะกันทุกคนแต่มาขโมยกินต่มาโปงกิน ตั้งมาอะไรกินกันหมดทุกอย่างเนี่ยมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจะเป็นธรรมะจะหาชินไม่ได้จริงๆริอไอ้ไหนเขามันจริงอย่างนั้นไอ้ธรรมะมันมีจริงแล้วแต่ที่ว่าธรามะเดียบ้นันไม่มีใครช่วย น, นี่มันมองเห็นไปอย่างนั้นแต่มันกินปีแต่ะโนยแต่นนยเนี่ยจนหมดจนหมดเสียตรงมันนะสมัยนี้ก็เดียวกว่ามัน เจ้านายเคยมาฟังคามันมาน้องพ่อท่านจะออกมาแล้วเรออกแวกทางให้ท่านออกไปไม่ท่านจะออกไปแล้วน้องพ่อท่านจะออกแล้วฟูดังแรงตัวนะฮะอ๋โหมันดูถูกพระเราฟังแล้วก็เหนื่อยพี่ช่ำซ้ำมีน้ำใจมีมนุ์น้องพ่อเทพมีน้อเทพชนิดหนึ่งมีตรงมามก็เอานี้เดียวคือมันไม่สนุกมันลําคานใจครับอย่างเทพอธิบายฟังอย่างนี้นัานๆมันลาคานนี่เนาะมีิฉะเขาบอกว่าเทพชนิดหนึ่ง เป็นพิธีเท่นั้นเนี่ยอาจารมาไอ้กินข้าวนิดหนึ่งมันพอไห้เนี่ยอืมกินข้าวสักคำเดียวนี้เดียเม็ดเดียวนี้เดียวนีวน่พอไห ม, มเข้าก็ไม่พูดนเลยนะมันเป็นอะไอย่างนี้ฉะนั้นบ้านเมืองธรรมะทำไมไอ้ความจะให้สงบระงับมันมันหายไปตัววันทําไมกลางคืนทําไมมนันมืดเพราะตะวันมันลับไปแล้วมันก็มืดเกิดขึ้นมาตอนนั้นนี่ อืมไอสิ่งที่สะอาดมันหมดไปแล้วเคื่อนสุกะปรกมันก็ขึ้นมาเท่านั้นแหละเมื่อมันขึ้นมาบ้านเมืองก็เดือดร้อนกันถ้ามันเดอนนนเือดร้อนตรงไหนนาะเดือดร้อนตรงไหนเนาะสารพคดอย่างก็มันเข้าใจว่าฟังธรรมะมันก็ดีอยู่แด้ว่าไปทํทาตามธรรมะแล้วมันไม่เจริญยังนุมน่มๆุมเข้ามาวัดสิออกออกจากเคื่อนเข้ามาวัดจะเข้าเพื่อนไม่ติดทะแล้แต่ออกจากวัดไป มันก็เห็นไงเขายอยด้วยเนอะดูสิเดี๋ยวนี้ธรร ม, มะสมโธใชนะโอยอายอยู่แล้วไม่มาหาหลวงพ่ออีกอายทั้งนั้นแต่มัยากเรามันอายอย่างนั้นที่ความเป็นจริงคําที่มันมันอายแล้วก็เข้าใจผิดกันนี้นะสิ่งอะไรที่มันเป็นบาปท่านไอ้สิ่งที่ไม่เป็นบาปจะไปอายทําไมไปอายสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นี่เราทําถูกอยู่อายเท่านั้เดี๋ยวธรร ม, มะสมโธนะไปเจอวัดติดห น, นึ่งเนอะม่อไรจะบวชกันแล้วโอยอายจะแล้ว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 หรือเเกิดมาเอความเหลือดนอนกันทํำไมไปสร้างเหตุให้มันดอดร้อนขึ้นมานี่อันนี้มันพูดดิทุกทุกคนเข้าใจทุกๆคนพิจรารณาทุกทุกคนในใจให้มันรู้เรื่องของกันแก้ไขสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าหากว่าเรามันทุกข์มันเดือดร้อนมันลำบาดเกิดมาชีวิตหนึ่งเจ้ก็เกิดประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรแลยมีทรัพย์สมบัติมากๆเราเป็นเป็นทุกข์เรามันเดือดร้อนมีมาไม่ทําไมทรัพย์สมบัติลาภยศเอามาทําไม เอามาเบียดเบียนตัวเราไหมเรไมมองเห็นชีวิตของเราอย่างนี้อยู่ไปด้วยทนทุกข์ลำบากทนอันมาบางคนพ่อบ้านแม่บ้านทะเลาะ ก, กันทุวันทุวันไม่รู้ว่าอะไรทุกันเทะเลาะ ก, กันทำไมเพาไปกินเหล้านี่มีอก็ห้ามไม่ให้กินเหล้าเพราะวก็ไปกินเหล้าไม่กินเพื่อนก็อยุ่งเป็นผู้หญิงนี่มันทิ้งเพื่อนทิง้งสูงเลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ไปกับเขาอีกมาบ้าน เมียก็ว่าให้ออกไปหาเพื่อนเพื่อนก็ว่าให้โดยลหมากเลยทุกเลยยากสารพัดอย่างนี่เพราะทําไมนี่เลยกิดธรรมะในเวลาเนีนะ้มันโซมลงธรรมะมันใน่โซมลงความเข้าใจของคนมันโซมลงไปจากธรรมะธรรมะมันยังยืนอยู่อย่างเก่าถ้าปฏิบัติธรรมะถึงวันนี้มันก็ยังดีอยู่อย่างเก้านั่นแหละใจเรามันไม่กล้าจะทำเลยนี่เห็นะธรรมะมันเป็นเอเซอริตแต่แล้วนะ ถ้าปฏิบัติธรรมะแล้วก็ไปข เ, เข้าเพื่อนก็ไม่เคยติดถูกกันแกล้งอ็ได้ไม่สบายหลายๆอย่างจําเป็นเราต้องโอ้ไรหากันหมดได้เป็นกลุ่มเดียวกันหมดมาเป็นกลุ่มเดียวกันหมดที่นี่ก็ไม่ไม่มันแสดงปฏิกริยาที่จะไม่ดีเกิดขึ้นมาแหละในเรื่องพุทธศาสนาถึงวันนี้ทีนี้การบวชในพระพุทธศาสนาของเราการปฏิบัติมันโฉมไปกับ า, าเรื่องอย่างนี้เอง มันพ่อเรื่องอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้กันปะทําผิดทําชั่วลูกพ่อแม่ทุกคนอยากจะให้ลูกดีทุกคนอย่างเห็นที่ไหนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็อยากให้ลูกเป็นคนดีเอาไปวางเอาไปถวายเจนบัดน้องประพงนัเนน่ยมีพระกรรมฐ า, านนานาชาติวิชาติในนายก็มาปฏิบัติกันสงบแล้วครพ่อแม่เป็นคนแก่ แ, กแล้วนะ่ะมันพี่จเจนนาหลวงพ่อเหล่านมาที่นั่นดี ไอ้ ล, ลูกกับเราคนนี้มันสอนไม่กระไรมันกินกินกัญชาเว้ยมันกินเฮกินเว้ยมันโกนเขมันพูดยากอะไรเงี้ยเอาไปถวายท่านฮะนิสาเ น, น, นี่ยอย่างนี้มันก็ถูกก็จะไอ้ภาคกลางไงแกงขี้เด็กอแกงขี้เหล็กอ้หนูอ้หนูแกงขี้เด็กเป็นไงแม่มันขมเยอเกินหนูเอาไปเพนซะเนี่ยแกงบอลเนี่ยแกงบอลมันคันเยอะเกินเอาไปเพนพระซะ เอาใจของเป็นเพนเอาแใจของสองแบบร้อนก็ไปให้พระยังเดรียดมังผมเอาไปให้พระยังวอนมันคันเอาไปให้พระจังก็ไม่ต้องกินมันลูกที่ไหนไม่กินเฮร อ, อินสอนในอนห้ฟังเอาไปให้พระจังก็ไปทําลายพระทั้งนั้นเลยใครจะไปสอนมันได้อย่างนี้อีกเมันต้องออกไปอย่างนั้นที่นี่ก็ยิงส่งลูกเข้าไปเป็นสบายเอาไปนะลูกก็ยิ่งไปทําลายในสถานที่นั้นพูดไปฟังใครทั้งนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างเึ้นมาใช่ นั่นก็เดี๋ยวมันเป็นสายสืบเข้าไปในตัวของมันแล้วไปทําลายกลุ่มสงมูนั้นพระที่ดีๆหมูนั้นพระที่ดีๆจะทะยก อ, อกับไฟนี่แยกออกับไฟนี่ถ้ามีอำนาจจะสอนใครแล้วก็ปล่อยในใจคนบ่าอย่างนี้นั้นแต่ก็วุ่นวายตรงนั้นกน็ตรงนั่นก็วุ่นวายอีกแล้วแต่ก่อนนั้นสงบดีตรงนั้นก็วุ่นวายอีกแล้วมันส่งสปายเข้าไปในตัวของมันอย่างเนี้ยอีเขาไม่รู้เรื่องกันเรื่องพุทธศาธสตร์ชนะในเองนะมันสอนเข้าไปอย่างนั้นแเราไม่รู้เรื่องกัน ก็ได้เกลียนเลยเก ล, ยเลียนนะเกลียดชุงวง น, นักเรียนวางครบรับวชไปดูภาพยนตร์เคยไปอยู่ในกลุ่มเด็กๆนักเรียนตอนอายุ1ิบหกสิบเจ็ดเอาไปเอาไปบวชน้ำบาปมันดิพ่อแม่ให้เรียนตามใจมันเสรแล้วเอาไปบวชนี่ก็ตอน เจ็ดโมงก็ฉันข้าวทิ้นห้าโมงก็ฉันทิ้นใช่ตอนเย็นมันหิวนี่ระยะมันไม่เท่ากันนี่เฮานักเรียนมันฉลาดมันก็ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อฉันจะเห็นก็ฉันเพลนนี่มันก็สองเวลาเหมือนกันมั่นระยะมันสั้นนิดเดียวเท่านั้นเนอ่ยเวลาสองสามมงไปหาห้าโมงมันนิดเดียวเท่านั้นน่ะเพราว่าฉันห้าโงแล้วก็ระยะน่ะไปฉันนู่นบ่ายสามมันดีกว่านี่ มันจะผิดทำไมอ่ะมันกสองสองเวลาเท่านั้นแหละมันยิ่งนี้มันยังมีคุณภาพดีด้วยมันยังให้กําลังเราไปบ่ายสามไปถึงสว่างเน่ยมันยังมีกําลังทํากลมเพียรดีอันนี้ตอนชาติมาสาลเท่านั้นยังไม่นิ้เลยก็ไปชานอีกซะแล้วผมว่าแยกกันดอกสดีกว่าแบ่งใหม่ซะมันไปจัดอาจารย์เท่าน้วนะไปจัดท่านประตูเท่านั้นมันไม่สมควรลที่ทํามานี้ยนี่มันนักศึกษาแท้แท่นี่ มันศึกษาอยู่เสมงมันจะไม่ห้หิวไม่ใจสบายนี่เดี๋ยวี่ศาสนาเนี่ยมันจะโซมไปโดยโดยลำพังอันนี้กอกวิทยาศาสตร์มันศาสตร์กันไปนี่วิทยาศาสตร์มันศาสตร์กันไปตรงไั้นต้อแตกตรงนั้นนหะถ้ามันไม่รวมพุทธศาสตร์เมืออะไรมันแยกัรงนั้นน่ยศาสตร์อะไรทั้งหมดมันเหลวต้งนั้นแหละนั่นต้องมารวมพุทธศาสตร์อพุทธศาสตร์ที่เป็นศาสตร์ที่ให้ความรู้ในทางเมตตากรุณามุติตาไม่ให้แข่งแย่งซึ่งกันในการนี้มันจริงจะเกิดประโยชน์ ศารทุกซุกสาสตร์ไม่จะมีผลมากที่สุดทีเดียวศาสตร์ทุกวันนี่โอ้ยมันศาสตร์เขาป่าเท่านั้นแหละเรียนคํารู้เมืองมากแต่ทำงานงานอะไรกันน้อยเถียงกันเท่านั้นไม่ต้องหนีทาอะไรกันอืจัดเป็นศูนย์ขึ้นมากจัดที่ประชุมขึ้นมากกินเลี้ยงกันมากที่สุดแต่การงานตก็ไม่ะดาษนะก็ไปพูดกันแต่กระลุกันอันนี้ไม่ใช่นินทาใครนะออพูดกลางคนจริงถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่เจริญทำไปรู้ก็ได้มันไม่เจริญอย่างนั้นอื ทีนี่มันเป็นอะไรอย่างนั้นที่นี่ความฉลาดมันปัญญาหรอกมันทุปัญญามันไม่ใช่ปัญญาดิวิมันไม่ใช่สุปัญญาทุปัญญาคือปัญญามันชั่วปัญญาที่ไม่ทกปัญญาที่มืดมนปัญญาที่เดือดร้อนสุปัญญามันเป็นญาที่ถูกต้องทำด้วยมีเหตุผลไม่ต้องอิจฉาใครไม่ต้องพยายามใครอย่างนี้เมื่อเราทุกคนเกิดมา มันเกิดมันแก่มันเก็บมันตายเหมือนกันทั้งนั้นจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตายแล้วก็เหม็นเหมือนกันทั้งนั้นไม่ใช่มันหอมหรอกพอเรามีชีวิตอยู่ทำไมถือเนื้อถือตัวแต่มีอํานาจอาจสูงที่สุดเลยนะจึงกว่ารู้ถูกคนจนคนถูกสารพัดที่ทําไมเป็นเป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นศาสตร์ทางไรน่ะมันเดือดร้อนต้องมารวมพุทธศาสตร์ต้องแบ่งต้องแบ่งทําไงเรามีสองชิ้นสามชิ้นให้ให้ให้เราชิ้นหนเพื่อนชิ้นหนึ่งไป เรมีสามชิ้นเอาทั้งสมชิ้นเลยไอ้คนนี่มันนั่งดูปากกันนะนี่ไม่ได้กินเนี่ยมันนั่งหิวไอ้คนอิ่มก็อิ่มที่มันเด็กตัวที่เห็นสนัทกินไปคนมันหิวมันนั่งดูหน้าอยู่เนี่ยเนี่ยมันก็รู้คนเด่นงานอะไรกันนะนี่มันไม่พออย่างนี้ฉะนั้นการนี้ตอนที่เห็นยอมเสียสาระเสียสาระแก่คู่คนที่ควรเสียสาระชวนกันอืมมันชวนกันเข้าในธรรมะานััหหลงใ หันหลังไหันหลังใส่บ่อน้ำที่มันเย็นเย็นไปหันหน้าเข้าในกองไฟใหญ่ๆมันเห็นว่าจะแบกให้มากที่สุดใจมันเบาที่สุดนะอย่างเงี้ยไอสิ่งที่มันเบามันไม่มันไม่ไม่ทำมันไปแบกสิ่งที่มันหนักหนักแต่ความคิดเขาอยากจะให้มันเบาออย่างนี้มันก็เลยหันหน้าไปแบกกันในสิ่งที่มันหนักมันก็หนักตลอดเวลาตอนนั้นนะ เห็มันเป็นไปเป็นไปเป็นไปเป็นไปแต่วันนี้เดี๋ยวเขาคงจะมาถามน้องพ่อเป็นไงบ้านเมืองเราจะเป็นไงไหมไอจะมาไม่รู้รักอาจะมาก็อยู่ไปเป็นวันๆเท่านี้ละ่ะถ้าเราทําดีกันขึ้นบ้านเมืองมันก็จะดีถ้าเราทำเชื่อคุณบ้านเมืองเราก็มันก็จะเชื่อแต่ผมมนไม่เป็นไรแล้วนะบ้านเรามันมีศาสนาจริงศาสนามันมีนมอยู่ข้าวมีอยู่จะเราไม่ไปกินมันก็หิว ศาสนาอย่างนี้เอาวางไว้สวยๆเนี่ยมีดเตรียมยาวที่มันคมๆเนี่ยเอาไปรักให้มันคมเอาทิ้งหมดตรงนั้นดีให้มันคมยู่ที่มีดเตรียมนั้นมันอใจเกิดประโยชน์หรายหมคือถ้ามีใครไม่มีใครใครที่เป็นคนไม่ฉลาดจับมีดไปทํางานเสียหายหมดเลยเพราะมันคมมีดเตรียมนั้นมันคมนะคนฉลาดมาจับมีดไปทํางานที่งานมันก็เรียบร้อยเร็วด้วยเลยอย่างนี้ศาสนาก็เหมือนกันอย่างนั้นเป็นศาสนาที่เยือกเย็นเป็นศาสนาที่ถูกต้อง ถ้าไม่มีใครไปประพฤติปฏิบัติตามมันจะถูกต้องไะไรยังไง่มันจะเป็นยังไงศาสนามันจะฟุ่งเกิดขึ้นมาอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นี่การงานทั้งหลายมันต้องการการปฏิบัติการปฏิบัติต้องจะฟูขึ้นมามันจึงจะฟูขึ้นมาถ้าเรียนรู้เฉยๆไม่มีการปฏิบัติมันไม่จะเกิดประโยชน์อะไรเลยมันไม่มีประโยชน์อะไรจะเกิดขึ้นมาแล้วเราจะเห็นเออบ้านเรามันมันเป็นบ้านศาสนาไว้แเรามันไม่เป็นอะไรแล้วทองจะไม่เป็นอะไรกันแน่นอน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 ถ้าไ้บวชเป็นาระแล้วเขาบอมันดีแล้วเราดีแล้วบวชเป็นพระมันได้เป็นพระแล้วบวชเป็นพระทำไ ม, ม่ปฏิบัติมันจะเกิด อ, อะไรขึ้นมาอีกเล่าเมีเดยดอย่างนั้นคมๆแล้วมันดีแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรไม่มีใครเอาไปใช้ดูมีคนที่ไม่ฉลาดเอาไปใช้มันจะเกิดประโยชน์ไหมเรามีหลักพุทธศาสนามีอยู่กุมันกันอาศัยเทิดทูนพุทธศาสนานี่จะเป็นไปเองแต่พวกพุทธชนบรรดาพวกพุทธศาสนิกชนทนั้งหลายไม่จับหลัก การที่จะปฏิบัติในธรรมะมาปฏิบัติกันให้มันจเจริญขึ้นอะไรไม่เสร็จสมบูรณ์หรือเปล่าเนี่ยจางของประจ า, างเรื่องใสในพุทธศาสนาอยู่แต่เราไม่ยอมทำตามมันทำยากแต่ให้อาศัยพุทธศาสนาหนึ่งเป็นร่มโพรมไสให้เราอาศัยอยู่ให้เย็นแล้วไม่ต้องไปทำแล้วเนท่านห้าปักให้ไปขโมยคนเนี่ยแล้วก็ต้องไปขโมยนี่ีไม่ให้กินสุนารถก็ไปกินไม่ให้ทำดีก็ไปทำอยู่แต่มายอมือยกมือเสีหัว่ ให้ท้าพระเจ้าอยู่สบายเถิดท้าพระเจ้านับถือพุทธศาสนาพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนเนี่ยอืมน่านๆทำไมพุทธศาสนาก็อย่างนั้นและมีความบุญบายอยู่ตลอดเวลาแล้วนเะนี่ยนี่ยมันเข้าใจอย่างนั้นมันต้องการปฏิบัตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดถ้าเราไม่ปฏิบัติอะไรถ้าหัอยู่ในหนม้อมันจะเกิดประโยชน์อะไรถ้าเราไม่ปฏิบตัติเอาถ้าผีมาพวกลงมาใส่จานที ตักแกงมาใส่นิดหน่อยทีใส่น้ำพริกกับไปทีนี่ทานกัไปทีมันจะเกิดประโยชน์ไหมข้าวมันดีอยู่ฉะนั้นแนี่ยีพุทธศาสนาก็เหมือนกันนี่ยเหมือนข้าวหุงอยู่ในหม้อถ้าเาศาสนาตั้งไวเฉยๆอย่างนั้นมันก็จะเกิดประโยชน์อะไรเหมือนข้าวหุงอยู่ในหม้อไหนเอาข้าวที่หนึ่งเน่ยข้าวบารอกมารีข้าวสารกระตองมาหงเนี่ยเอาตั้งไว้ข้างๆนั่นเองมันจะอิ่มไหมมันจะอร่อยไหมมันจะเกิดประโยชน์ไหม จอมศาสนามีอยู่ในโลกนี้ให้ตั้งอยู่เฉยๆเต่เราไม่พากันปฏิบัติศาสนาเเต่เราไปกราบอยู่เท่านั้นแต่กราบเท่านั้นนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเรากราบก็แสดงว่าเราเชื่อแสดงว่าเรายอมถ้าคนเชื่อถ้าคนยอมก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านเท่านั้นแหละเหมือนกับวันว่าข้าวเนี่ยถ้ามันเข้าใจว่าแน่นอนอันนี้ข้าวมันเรี่ยงชีวิตของมนุษย์นี้ต้องเอาข้าีมาคว้าออกใส่จานใช่ไหมอืม มันจึงจะตกิดประโยชน์ไม่ต้องอาศัการปฏิบัติอย่างนั้นทุกๆุกคนเราเหมือนกันที่นั้นทุกวันมีแต่มันย่อนไคือทําความชั่วนี่มันมันง่ายทําความดีนี่มันยากเส้นหน่อยหนึ่งถ้าหากว่าคนเห็นโทษมันจริงๆมันก็ง่ายเรื่องพุทธศาสนานี่ก็เรื่องเรื่องยากที่สุดกับเรื่องง่ายง่ายที่สุดแค่ทำปฏิบัติให้มันเห็นโทษของความผิดนั่นจริงจริงมันกับวางเท่านั้นเลย ใครจะเอากันยังไงก็เอาไวทีเรามีเราเป็นผิดจริงๆนี่ถ้าเราเป็นผีจะเห็นมันประโยชน์เกิดขึ้นจริงๆแล้วอมันเกิดประโยชน์ท่านเห็นโทษอย่างง่ายเห็นประโยชน์ก็คืนเท่าๆกันเท่านั้นเนี่ยอันนี้เราเราไม่อยากจะให้มันหนักก็จะแบกให้มากที่สุดแต่ในใจไม่อยากให้นหนักอย่างเนี้เมื่ออยากให้มันเดือดร้อนแต่เราไปทําสิ่งที่มันเดือดร้อนขึ้นมาเท่านั้นแหละมันจะเป็นไปได้ไหมอย่างนั้นอันนั้นเราควรกลับดู ฉะนั้นวันสมนาอย่างนี้มันมีประโยชน์อย่างนี้อืเราต้องควรมาพิิจารณาประชาชนเราทั้งหลายนะมันอยู่ข้างนอกอืการทํามาหากินวุ่นวายอยู่การครองชีพต่างๆอีกสักเจ็ดวันมันเป็นวันพระควรจะมาอบรมแล้วอย่างวันนี้คงจะอะไยินกันอะไรบ้างเล็ก ๆ, ๆน้อยๆที่จะไห้เข้าใจก็จะเข้าใจขึ้นเข้าใจยังไม่พอมันก็จะพอขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวั น, ว, นวันนี้ก็อะไรยินอื ต่อไปก็ได้ยินได้ยินอยู่ด้วยวย้วยวยุ้วยวุ้ยต่นั้นเนี่ยอุปนิสัยปัจจัยมันก็เกิดขึ้นเท่า น, นั้นแหละนี่มันจะมีอะไรนี่นะอันนี้ไม่เคยเข้าไปฟังตำพระอย่างชัดเจนเฉยเฉยนี่ไม่ได้เข้าใจในธรรมะแต่มาร่วมใสยอยู่เลร่วมใสไม่ถึงที่ของมันรู้มันระรู้ไม่ถึงไม่ถึงความรู้จริงจริงมันพูดจะเปลือกมันอย่างนั้นทุกสิ่งทุกส่วนมันจะยิ่งมีมีแต่เดือดร้อนกันทั้งนั้น ทุกวันนี้ทําไมหันหลังให้ธรรมะเขาไปฟังธรรมะโอ้ฟังแล้วแย่แล้วเราถ้าไปทําตามเราไม่ได้กินแน่อดแน่ของเราผูดที่เป็นกลุ่มอดแน่ไอคนนั้นเลยยิก็กอดแน่เด็กได้ยินงก็อดแน่ธรรมะใครด้ยินอดแน่ตรงนั้นนยกธรรมะดีก็ดีดตัยยวยศอีกจะเป็น ส, ส่วนห น, นึ่งใช่ฉันนับถืออยู่ซาทุกธรรมะในที่แต่ประคมทําไม่ได้ น, น ก็ไปทำจทิงไปเป็นํารมะมันเกิดร้อนขึ้นมาลูกบุกล้ำดานนกก็หันทางหันหลังให้ธรรมะกันทางนั้นอ่าแต่ธรรมดาของมันเด็กเด็กมันก็ดูผู้ใหญ่ไหเหมือนเท้าวันจะมันเกิดขึ้นในในแผ่นดินเนี่ยไอ้ต้นไม้ต้นหนึ่งมันอยู่นี่ไอ้ต้นหนึ่งมันอยู่โน่นอ่าคือเทาเท้าวันมันโผล่ขึ้นมาตรงนี้มันจะขึ้นตรงไหนอ่ะมันก็ขึ้นต้นอยู่ใกล้ๆตอนนั้นแหละอ่อมันจะไปทําไมถึงมันไกลมันยากเด็กกับผู้ใหญ่เราก็เหมือนกันอย่างนั้น มันต้องอาศัยผู้ใหญ่อาศัยครูมาอาจารย์แต่ว่าทามันเต็มที่มันมันจะฉีดยามันก็ไม่ถอยเหมือนกันนะมันเต็มที่มันแล้วนะมันไม่มีอะไรเป็นยามันแล้วอ่าฉะนั้นว่านเมืองของเราตะวันนี้มันเป็นอย่างนี้อย่าไปแกทางใครเลยแก้ที่การประพฤติปฏิบัติของเรานี่อย่างนี้อืมันจะมากับไปไปพูดหลายแห่งเหมือนกันออย่างอย่างมือนอกกับไปประเทศเขาต่างไอหว่านของคุณมันเจริญเท่านั้นที่มันเจริญไม่ใช่ว่ามันมันสุขเลยมันทุกข์เนี่ แคนาดาคือเงนินโดนจ้หาราตรีมันอะไรแม่มันมันทุกอคนเกือบทุกคนนะ่ะมันจะเป็นโรคประสาทตั้งสิบเอร์ซ็นตี่สิบปอร์ซ็นตดงนั้นน่ยไม่รู้เรื่องมันเมามันเมาความสุขมันเมาความสนุกหลายจนเกินไปจะเกิดโรคประสาทเป็นบ้าบๆบบเป็นค น, นกลางๆหลายอย่างฉะนั้นเาไปฝึอกกันไม่ต้องไปพูดอธิวายมันฟังแล้ว ปฏิญาณในเรื่องมันไม่ต้องพูดอะไรใดๆให้มันนั่งกดให่มันดับตามันสงบกดกดคอมันเดียวนั้นให้มันสงบในรู้เรื่องอะไรทาไมไม่ทำไมได้ต่อยู่ในที่สงบจนนั่งให้มันสงบให้มันสงบเงี่ยให้มันเป็นสมาธิเมื่อสมาธิมาถึงเออไอความสงบของจิตที่มันอย่างนี้นะแต่เพราะมันเกิดขึ้นมามันไม่มีความสงบสักทีเลยนี่มันพู่นวายเมื่อมันพู่นวายเมื่อหาที่มันไม่วุ่นวายเดี๋ยวนี้เขาชอบกันนั่งกรรมฐานการสงบ เม่อสมองพบหนูจิตมันไม่ได้พักยังนอนง่วงๆนอนเราเลยนอนจักพักหนึ่งโอยคืนมันสบายเลย่ะนี่อันน่นไ้จิตของเราเกิดขึ้นมาไม่เคยได้พักกลางคืนมาก็ไม่ได้พักหรอกยังดับไปก็ยังฝันไปอีกหล่ละก า, ลาลาการพักหย่างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอการพักผ่อนของจิตเนี่ยมันน้อยอาหารนี่ไม่เคยพอเจอกัหาว่ามาเกิดโรคประสาทกันมันขาดทางนั้นอันนี้การนอนนี่ก็ไม่่อยจะพอ อยู่ในเมืองในนาเขาเหมือนกันนอนสวยๆมันดับแต่ตามันเสียงไดุ้่มทุ่มทุ่แต่ดึกๆมาถึงนอนจ้ะแต่เขาขังไปไปเที่ยวน้อั่นเทียวนี้นะไปเที่ยวลําบงไปเที่ยวบาไปเที่ยวอะไรมันสนุกสนานมาตั้งได้มานอนนะนอนก็ไม่เคยจะดับเสียงกับทุ่มเตือนเตือตือนเนเารียกกรตุ้นบรรยางานไปงานอีกแล้วนไปทํางานอีกเดี๋ยวกลับมาบ้านอีกแต่กไปกินเลี้ยงอยู่ได้ได้วนตลอดเวลา เป็นนิตการที่มันเป็นวาอย่างนี้ตลอดที่เกิดมามันเป็นอย่างนี้ไอ้ความวุ่นวายในจิตใจของเรามันอมันมีขึ้นมามันก็ไม่สงบดังนั้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาโลกประสาทมันจึงเป็นมันจึงเป็นคนขึ้ น, นกลางๆหลายๆเดี๋ยวนี้บางคนเนี่ยเข้ามาหาเนี่ยมึงพ่อท่านบวชนานแล้วทั้นคงจะรู้จักอะไรต่ออะไรมากนี่แบะให้มองดูผมแล้วผมมันเป็นอะไรเนี่ยนมันเขาถามาผมเป็นอะไร เขาไม่รู้จักว่าเขาเป็นอะไรอืมันไม่รู้ว่าเป็นไงไม่รู้แต่ถ้ามันเป็นเป็นเป็นหุ่นอันนึงเชิดอยู่ทางนั้นเนี่ยอย่างนี้มันไม่เข้าใจทํามาที่นี่มาหากว่เรามาทำกรรมฐานในมังเห็บถ้าจิตมันเดีพักพุกบตอนนั้นโอ้มันรู้จักรถเมื่อจิตสงบทับมันจะมองเห็นสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ต้องเกิดนมาด้วยปัญญาเกิดขึ้นมาและทํำเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ถ้ามันเห็นชัดสินมันไปรักษาเองของมันออื มันพยายามทําละกวามิดมันไปทำหนีก็นี้ปัญญามื่เกิดเองของมันเพราะการปฏิบัติเท่านี้แหละก่อนจิตมันได้พักมันปัญญามันก็เกิดอืมไม่ใช่นั้ น, นก็เนื้อควาดูที่เราลองรู้ที่ทําไห้นั่งสมาธิภาวนามาเกิดปัญญาดูเราอยู่สมายสบายเท่านี้มันจะมีอะไรไหมเยเราเป็นนั่งทุกเดียวมัมันลำพานเรื่องเกินทําไมไนี่ยเห็นไหมตรงนั้นแ่ะตรงให้เกิดปัญญาปัญหาอยู่ตรงนั้นมันมากเฉลยตัวปัญหาอยู่ตรงนั้น ถ้าเรานั่งสมาธิไปนนั้นมันจะมีปัญหาตรงนั้นมันจะมีเฉลยตรงนั้นขึ้นมาเลยทีเดียวเลยแก้อยู่ตรงนั้นอย่างคนในสมัยนี้บางคนแมคนสมัยนี้มันหยาบหลายไปมันมืดหลายเพราะว่ามันไม่ได้จะเล้นมันหยาบมันมันมันอากอัตมาว่าไอ้ที่ไหนมันมืดหมดมืดนัเนี่ยเอาไฟฉายฉายแล้วไปทำงานตรงนั้นสว่างชัดเลยเตือนเดือนนี้หาเอาไฟฉายฉายนไปบนอากาศนี่มันจะชัดไหมนี่ ไอ้ทีแรกมันมืดเอาไฟฉายชัดกับไปแต่มันจะสว่างเทอมืดธรรมดาไม่ยิ่งสว่างนี่ไอ้คนนี่หลงเท่าไรมันึเมื่อมันหายหลงแล้วมันก็สว่างเท่านั้นเลยไอ้คนมืดสมัยนี้ก็มันมืดตามธรรมดาไม่มีใครสั่งสอนเนี่ยนำได้ไม่ตั้งใจฟังธรรมหาก่อความจริงตามธรรมะจริงจรงมันเป็นเทพิธีดีตองกันเท่านั้นไม่ใช่นั่นพวกเอประชาชนเราทั้งหลายเนี่ยอย่างวันพระนี่มีน้อยมีน้อยมีน้อย มาก็มากันแค่ น, นั้นแหละไม่ตั้งใจฟังธรรมะเราต้องตั้งใจฟังธรรมะข้อเดียวเท่านั้นแหละแล้วรู้จักมันข้อเดียวเนี่ะหลายข้อมันก็ทยอยทยอยทยอยเข้ามาเหมือนเรารู้จักริงตัวเดียวนี่เมืองไทยเท่านั้นเนี่ยนะเราเที่ยวไปที่ไหนแล้วลู้จักริงหมดทุกตัวเลยแล้วรู้จักมันชัดเจนอืมเยรู้จักมันชัดเจนรู้ข้อเดียวเนี่ยเอโกธรมรมโอธรรมคืออันเดียวเท่านั้น ไม่ต้องศึกษาอะไรมันมากให้มันรู้มันแน่ในใจของเราห้มันจริงจังเข้าไปเท่านั้นเลยไม่ได้ไปยากอะไรมากมายอืมมันเป็นอย่างนั้นธรรมะมีเจนน์นเหตุผลที่ว่าอ่าสักดานคือบรนพระหนึ่งท่านว่าธรรมะสวัสดนั่งการฟังพระธรรมตามการตามสมัยนี้ท่านเดียว่าเป็นมงคลอะไรมันจะเป็นมงคล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 ถ้าเราดูจักวิธีอย่างนั้นแล้วก็พัฒนาถูกเรื่องของมันอย่างคิดใจของคนเราตรงนั้นนะมันมันผิดตรงไหนมันผ่องตรงไหนแล้วก็มายกตรงนั้นขึ้นนะก็ทําตรงนั่นขึ้นแล้วก็พัฒนาถูกเท่านั้นเนี่ยออันนี้จะพัฒนาถูกทําไมอืไม่รู้จักจะพัฒนาตรงไหนก็ไม่รู้เรื่องอะไรจะทําตรงไห น, นจะต่อตรงไห น, นจะตัดตรงไห น, นก็ไม่รู้เรื่องก็เพราะไม่รู้จักส่วนสั้นส่วนยาวของมันแล้วก็ไปพัฒนากันก็ไปทํา รเรื่องจะพัฒนาง่งายๆก็เห็น ม, มันยากซะแล้วอย่างเนี้ยมันไปจับไอ้สิ่งที่มันไม่ถูกเขามาในใจของเราแล้วก็ดีใจกันไปซะมิฉะนั้นการเข้าสู่ธรรมะทุกวันนี้มันถึงน้อยแต่คนเข้าวัดเยอะอแต่รู้จักธรรมะม น, ม น, น่มันน้อยมันน้อยเพราะอะไรเพราะเราไป น, นั่งฟังธรรมให้เข้าใจ พวกคนรังเขาที่พี่อจะมาไปสอนน่ะคนสักร้อยคนอธิบายธรรมให้ฟังอธิบายธรรมให้ฟังบอกใครสงสัยไหมยยกมือหรือยกมือคนประมาณสักร้ายคนมันจะเหลิญสักห้าคนมันสงสัยจริงๆมันถามจริงๆรัปัญหามันหลายจริงๆริงไอ้พ่สงสัยมันเต็มถึงนั้นนี่ไม่ใช่นั้นบ้านเราญาติโยงเราถึงกรรมจนนบุญก็ยหนวดเรฟังก็จะฟังไมันไม่รู้พ่อสงสัย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 อันนี้ก็เป็นการฉันนั้นชั้นนั้นเราต้องช่วยกันมันช่วยกันมันช่วยช่วยกันมันเจริญตรงไหนมันมามันไม่ใช่ว่ามันเจริญอย่างนี้วนะไอ้ทุกข์มันก็เจริญขึ้นมาไอ้ความสบายจะเดินขึ้นเท่าไหร่ไอ้ความยากมันก็จะเรินขึ้นเท่านั้นพูดง่ายๆแ่หน่อยนึงบ้านเรานี่เองล่ะเมืองกรุงเทพมันเจริญนะบ้านนอกนี่มัเจริญ อยู่สบายก็เกันนะดูสิคนมาบ้านนอกถามโยมบ้านนั้อยู่ที่ไหนอันนั้นบ้านคนนั้นน่บางทีเขาการส่งไปบอกตรงน้นตรงโน้น น, นี่ถ้าไปในกรุงเทพเลยนะบ้านนั่งเป็นคนไปทางนอกน่นนั่ ง, ง, งรถลาดตระเวนทั้งวันไม่รู้เรื่อเลยต้องบอกทุกคนเอาไปโน่นไปโน่นไปโน่นเรื่อยเรื่อ ย, อยบอกไปงั้นให้มันเส ร, ร็จดีแล้วประโยชน์จะไป มันไม่ค่ ย, ยใส่ใจมิฉะนั้นวานนอกนิดเดียวมันเป็นมันโง่มันก็สบายอืมันโง่โง่อยู่แต่มันก็สบายอยู่ตามธรรมชาติมันอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาติอ ย, ตารราตอย่างนั้นผิดชาจะปะยาบาดกันมันก็น้อยอืันนีน้อันทีนี้ไอทีความจเจริญถึงไหนความที่หมันเจริญมันก็ตามอัต ม, มาเห็นวัดต้องประฟงมัน สมัยก่อนมีท่า U C นะโอ้ยสบายเลยโยมมีบาทคุณนบายท่านนะไปบิณฑบาตมาพ่อห่อห้อยมาให้กับแก่เส็นบาตรฉันแค้นมานานๆๆคนไปเห็นกงแม่สงสารท่านเนอืยเอาถ้วยไปให้ท่านเอาจานไปให้ท่านไปช่วยท่านก็เลยพากันไปในพรหมจริงจริงไปฝ้าเราเฉยๆหรอกในพวกนี้กินไม่มีถ้วยไม่ได้กินไม่มีช้อนไม่ได้ต้องประัญหาปัญหาไปทุกวันนี้อยู่ในโรงครัวมีแต่ถ้วยทั้งนั้นอือ คนทานอาหารเสร็จแล้วคนล่างจานสามชั่วโมงก็ไม่เสร็จบางฝุนบางบางทีไม่ได้ฟังทําด้วยมไม่ทำํำองล่างถ้วยอย่างนั้นเนี่ยการเจริญมันขึ้นมานนเนี่ยนี่ความยากก็ตา ม, มาเป็นเรื่องธรรมบารยอย่างนั้นก็เหมือนเรามันเป็นเด็กๆเราสบายกันนี้ไหมไม่ต้องรับรองอะไรมากมายเท่านั้นแหละแล้วก็คิดอยากจะเป็นผู้ใหญ่ดึงมันจะสบายไหมเล่นนี่มาเป็นพ่อคนแม่คนโหดูแล้วตอนเช้าแม่ขอสตัง ให้หบาทไมเอาให้สิบบาทอ๋อสิบาทสิบาทกันหมดหมหมดแล้วไร่มันมันในยุ่งขึ้นมาใช่เราาดอย่างแต่เราเห็นความเจริญแต่ว่าไอ้ความไม่เจริญมันตามขึ้นมาเห็นความที่สบายไอ้ความไม่สบายมันตามขึ้นมาอย่างจะเป็นเจ้าเป็นนายเมื่อกี้เป็นนายทหารดุสิตหลายคนเหมือนกันถ้าเป็นนายสิบหลวอผมจะขอยศขึ้นเรียนเพื่อจะเป็นนายสิบเป็นจ่าเป็นน้องเป็นนี้ขึ้นไปขึ้นไปนึกว่ามันจะสบาย จนต้เป็นนายพลโอ้ยเป็นเด็กนี่มันเป็นน้อยมันเกาะก็อื่นเขาทัมัมนลำบากถ้าเป็นใหญ่เลยถือถูกเขามาเกาะเราใช่ไหมหนักทั้งนั้นเลยที่ไหนอยู่ที่ไหนเลยเป็นเด็กก็ไม่สบายใหญ่ก็ไม่สบายทั้งนั้นเลยอย่างนี้ถ้ามันใหญ่เลยก็เอาเรื่องที่จําเป็นมาทิ้งให้เราใช่ไหมถ้ามาหาเราก็อยากเรื่องอันหนึ่งรมันทำสิ่งที่ไม่ดีนะเข้าไปหาเราเลยนะอ่านะแก้ไขเรื่องที่มันที่แก้ย า, ยากากันนะ แ้าแก้ง่ายมันแก่เองเนื่องแก่ญาติเพื่อนสตรทของนายพลไฮบูมาคบัญชาเน่ยเอาไปทิ้งให้เรานะล้วก็คิดอยากลำบากไหมล่ะจะเอาเงินวันนี้นอเนึ่องว่าจะช่วยใครอย่างนี้ปัญหาอย่างนี้มันเกิดขึ้นไปทุกทีทุกทีเนี่ะอันนี้กูมันการทุกอย่างอืมมันปัญหามีที่ไหนเฉลยมันก็มีที่นั่นแต่เราไม่ฉลาดทํากันนะอืันไปทางทํามันในง่าย ไหนมันสบายใจอย่างนั้นมันก็ยิ่งแต่มันไม่ไม่เป็นสาระดังนั้นน่ะมันเดือดร้อนอืมอันนี้ธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นธรรมะก็เหมือนพูดนั่นเองล่ะพูดให้มันถูกต้องพูดความจริงขึ้นมาเมื่อไรธรรมะมันก็เกิดเมื่อนั้นแสดงว่ามันเหตุผลอย่างนั้นอันนี้เป็นเครื่องที่หากล่าให้พวกเราทั้งหลายสนใจไม่มีความผูดประกันในก่อนช่างมันเถอะเรียนไม่รู้ถึงขนาดไหนก็ช่างมันเถอะให้พวกญาติโยมเราทั้งหลาย มาทำศีลเถอะ